ยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์ทางอารูปสัตตกะอันหนึ่งคำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วข้างต้นว่ายกขึ้นสู่พระไตรลักษ์แล้วกำหนดรู้สังขารทั้งหลายโดยทางอารูปสัตตกะในคำนั้นมีมัติกาดังนี้คือหนึ่งกลาปโตโดยความเป็นกลุ่มสองยะมะกกโต โดยความเป็นคู่สกนิกาโตโดยความเป็นไปโดยขณะจิตสปฏิปปาติโตโดยลำดับหทิฏฐิอุคาตนะโตโดยเพิกถอนความเห็นผิด 6. มานะสมุคคาตนะโตโดยเพิกถอนมานะละเจ็ด นิการติปริยาธานโตโดยความสิ้นไปแห่งความใคร่ในอาการเจ็ดอย่างนั้นคำว่าโดยความเป็นกลุ่มหมายถึงกลุ่มธรรมะมีผัสสะเป็นอันดับที่ห้าถามกำหนดรู้โดยความเป็นกลุ่มอย่างไรตอบพระภิกษุในพระศาสนานี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่า ธรรมทั้งหลายมีภัรษะเป็นที่ห้าเหล่านี้ใดเกิดขึ้นแล้วในการกาหนดรู้ว่าผมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและธรรมทั้งหลายมีภัรษะเป็นที่ห้าเหล่านี้ใดเกิดขึ้นแล้วในการกาหนดรู้ว่าขนทั้งหลายเปยากใหญ่มันสมองในที่นี้คือการกาหนดอาการสาสองทีละลำดับ จนถึงมันสมองว่าแต่ละอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นยังไม่ทันถึงธรรมะนอกนี้และนอกนี้ก็ทาเสียงตะตะตะตะพินาศไปเป็นปล้องปล้องเป็นท่อนท่อนเหมือนงาที่เขาวางลงบนแผ่นกระเบื้องอันร้อนแตกอยู่เปรียๆเชนั้นเพราะฉะนั้น ธรรมะทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้าเหล่านั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้นี้เป็นในยะในวิสุทธิกาถาก่อนส่วนในอริยาวางังสกถาท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อโยคยีกำหนดรู้อยู่ซึ่งจิตที่เป็นไปอยู่ว่ารูปในเจดฐานะในรูปส ต, ตกะที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจิตอีกดวงหนึ่งว่าจิตดวงที่เป็นไปอยู่นั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้ชื่อว่ากำหนดรู้โดยความเป็นกลุ่มคำที่กล่าวไว้ในอริยาวังสกถานั้นถูกต้องกว่าเพราะฉะนั้นเราจักจำแนกการกำหนดรู้โดยความเป็นคู่เป็นต้น แม้ที่ยังเหลือโดยในยะอริยะวังสักกะานั้นทางเดียวคำว่าโดยความเป็นคู่ความว่าพระภิกษุในพระศาสนานี้กำหนดรู้รูประหว่างความยึดถือไว้คือปฏิสนธิและความปล่อยวางคือจุดติกำหนดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แล้วกำหนดรู้จิตแม้ดวงนั้นเองด้วยจิตอีกดวงหนึ่งว่าแม้จิตดวงนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้พระภิกษุกำหนดรู้รูปที่ถึงความแตกดับด้วยการเติบโตขึ้นตามวัยหนึ่งรูปเกิดขึ้นด้วยอาหารหนึ่งรูปเกิดขึ้นด้วยฤดูหนึ่งรูปเกิดจากกรรมหนึ่งรูปมีจิตเป็นสมุทฐานหนึ่งและรูปธรรมดาหนึ่ง ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรากำหนดรู้จิตแม้ดวงนั่นเองด้วยจิตอีกดวงหนึ่งว่าแม้จิตดวงนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดรู้นามธรรมและรูปธรรมโดยความเป็นคู่กันด้วยอาการดังกล่าวนี้ คำว่าโดยความเป็นไปโดยขณะคือขณะจิตความว่าพระภิกษุในพระศาสนานี้กำหนดรู้รูประหว่างความยึดถือไว้และความปล่อยวางว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วกำหนดรู้จิตดวงที่หนึ่งนั้นด้วยจิตดวงที่สองว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา กำหนดรู้จิตดวงที่สองด้วยจิตดวงที่สามโดยในยะเดียวกันกำหนดรู้จิตดวงที่สามด้วยจิตดวงที่สี่กำหนดรู้จิตดวงที่สี่ด้วยจิตดวงที่ห้า ว, ว, ว, ว่าแม้จิตดวงที่สี่นี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้พระภิกษุกำหนดรู้รูป ที่ถึงความแตกดับด้วยความเติบโตขึ้นตามวัยหนึ่งรูปเกิดด้วยอาหารหนึ่งรูปเกิดด้วยฤดูหนึ่งรูปเกิดด้วยกรรมหนึ่งรูปมีจิตเป็นสมุทฐานหนึ่งแล้วรูปธรรมดาหนึ่งว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้แล้วควรกาหนดรู้จิตดวงที่หนึ่งนั้นด้วยจิตดวงที่สองกาหนดรู้จิตดวงที่สองด้วยจิตดวงที่สาม กำหนดรู้จิตดวงที่สามด้วยจิตดวงที่สี่กำหนดรู้จิตดวงที่สี่ด้วยจิตดวงที่ห้าว่าแม้จิตดวงนี้แต่ละดวงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้พระภิกษุเมื่อกำหนดรู้จิตทีละสี่ดวงเริ่มต้นตั้งแต่จิตที่กำหนดรู้รูปก่อนอย่างนี้ชื่อว่ากำหนดรู้โดยความเป็นไปโดยขณะคือขณะของจิต คำว่าโดยลำดับความว่าพระภิกษุกาหนดรู้รูประหว่างความยึดถือไว้และความปล่อยวางว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้แล้วกาหนดรู้จิตดวงที่หนึ่งด้วยจิตดวงที่สองกหนดรู้จิตดวงที่สองด้วยจิตดวงที่สามกหนดรู้จิตดวงที่สามด้วยจิตดวงที่สี่ไปยานใหญ่จนถึงกาหนดรู้จิตดวงที่สิบ ด้วยจิตดวงที่สิบเอ็ดว่าแม้จิตดวงนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้พระภิกษุกำหนดรู้รูปที่ถึงความดับด้วยความเติบต่อขึ้นตามวัยหนึ่งรูปเกิดด้วยอาหารหนึ่งรูปเกิดด้วยฤดูหนึ่งรูปเกิดจากกรรมหนึ่งรูปมีจิตเป็นสมุทฐานหนึ่งและรูปธรรมดาหนึง่งว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้แล้ว ควรกำหนดรู้จิตดวงที่หนึ่งนั้นด้วยจิตดวงที่สองกำหนดรู้จิตดวงที่สองด้วยจิตดวงที่สามโดยในยะเดียวกันจนถึงกำหนดรู้จิตดวงที่สิบด้วยจิตดวงที่สิบเอ็ดว่าแม้จิตดวงนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้ตลอดเวลากลางวันสิ้นทั้งวันโดยลำดับวิปัสสนาอย่างนี้แต่ว่า ทั้งรูปกรรมฐานคือกรรมฐานมีรูปเป็นอารมณ์ทั้งอรูปกรรมฐานกรรมฐานมีอรูปเป็นอารมณ์เพียงกาหนดรู้ถึงจิตดวงที่สิบก็เป็นการเพียงพอเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอริยวังสกถาว่าควรพักไว้แค่ในจิตดวงที่สิบเท่านั้นพระภิกษุผู้กาหนดรู้ด้วยอาการดังกล่าวนี้ ชื่อว่ากำหนดรู้โดยลำดับคือลำดับของจิตในอาการสามอย่างคือโดยเพิกถอนความเห็นผิดหนึ่งโดยเพิกถอนมานะหนึ่งและโดยความซึ่งไปแห่งความใคร่หนึ่งเหล่านี้ชื่อว่านัยยะแห่งการกำหนดรู้แยกกันหามีไม่ต้องกำหนดรู้ร่วมกัน อันหนึ่งพระภิกษุผู้เห็นอยู่ซึ่งรูปที่กำหนดรู้แล้วข้างต้นนั้นก็ดีและอรูปที่กำหนดรู้ในที่นี้ก็ดีนี้นั้นจะไม่เห็นสิ่งอื่นที่เรียกว่าสัตว์นอกไปจากรูปและอรูปจำเดิมแต่ไม่เห็นสัตว์ก็เป็นอันเพิกถอนสัตสตสัญญาคือความสำคัญว่ามีสัตว์ได้แล้วเมื่อพระภิกษุ ก, ก, กาหนดรู้สังขารทั้งหลายด้วยจิต ที่ถอนสัตตสัญญาได้แล้วทิฏฐิก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อทิฏฐิไม่เกิดขึ้นก็ชื่อว่าเป็นอันเพิกถอนทิฏฐิได้แล้วเมื่อพระภิกษุกาหนดรู้สังขารทั้งหลายด้วยจิตที่เพิกถอนทิฏฐิได้แล้วมานะก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อมานะไม่เกิดขึ้น ก็ชื่อว่าเป็นอันถอนมานะได้แล้วเมื่อพระภิกษุกำหนดรู้สังขารทั้งหลายด้วยจิตที่เพิกถอนมานะได้แล้วตัญหาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อตัญหาไม่เกิดขึ้นนิการติความใกล้ก็ชื่อว่าเป็นอันสิ้นไปชนิ้แลคำนี้ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิกะถาก่อน แต่ในอริยวังสักถาท่านตั้งมาติกาไว้ว่าโดยเพิกถอนทิฏฐิหนึ่งโดยเพิกถอนมานะหนึ่งโดยความสิ้นไปแห่งนิกันตะคือความใคร่หนึ่งแล้วแสดงในยะคือวิธีกำหนดรู้ไว้ดังนี้ว่าความจริงเมื่อโยคียถือว่าข้าพเจ้าเห็นแจ้งอยู่วิปัสสนาเป็นของข้าพเจ้าดังนี้ ยังหาชื่อว่ามีการเพิกถอนทิฏฐิได้ไม่แต่เมื่อโยคีถือว่าสังขารทั้งหลายนั่นแลเห็นแจ้งพิจารณากําหนดกําหนดรู้จําแนกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายดังนี้จึงชื่อว่ามีการเพิกถอนทิฏฐิเมื่อโยคีถือว่า ขพเจ้าเห็นแจ้งด้วยดีขพเจ้าเห็นแจ้งสิ่งที่พึงพอใจดังนี้ยังหาชื่อว่ามีการเพิกถอนมานะไม่แต่เมื่อโยคีถือว่าสังขารทั้งหลายนั่นเองเห็นแจ้งพิจารณากำหนดกำหนดรู้จาแนกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายดังนี้จึงชื่อว่ามีการถอนมานะ เมื่อโยคีพอใจวิปัสนาอยู่ว่าข้าพเจ้าสามารถเห็นแจ้งดังนี้หาชื่อว่ามีการสิ้นไปแห่งความใคร่ไม่แต่เมื่อโยคีถืออยู่ว่าสังขารทั้งหลายนั่นเองเห็นแจ้งพิจารณากําหนดกําหนดรู้จําแนกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายดังนี้จึงชื่อว่ามีการสิ้นไปแห่งความใคร่ เมื่อโยคยีเห็นอยู่ว่าถ้าสังขารทั้งหลายพึงเป็นอัตตาไซการถือสังขารทั้งหลายนั้นว่าอัตตาก็ควรแต่ว่าสังขารทั้งหลายไม่มีอัตตาเลยถือว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจเป็นของไม่เที่ยงโดยความหมายว่ามีแล้วหามีไม่ คือเกิดแล้วดับไปเป็นทุกข์ Sharp โดยความหมายว่าเบียดเบียนเฉพาะหน้าด้วยความเกิดแล้วความดับดังนี้ชื่อว่าม cool ีการเพิกถอนทิฏฐิเมื่อโยคีเห็นอยู่ว่าถ้าสังขารทั้งหลายพึงเป็นของเที่ยงไซการถือสังขารทั้งหลายนั้นว่าเป็นของเที่ยงก็ควรแต่ว่าสังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงเลยถือว่าเป็นของเที่ยงเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นของไม่เที่ยงโดยความหมายว่ามีแล้วหามีไม่เป็นทุกข์โดยความหมายว่าเบียดเบียนเฉพาะหน้าด้วยความเกิดและความดับเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจดังนี้ชื่อว่ามีการเพิกถอนมานะ เมื่อโยคีเห็นอยู่ว่าถ้าสังขารทั้งหลายพึงเป็นสุขใสการถือสังขารทั้งหลายนั้นว่าเป็นสุขก็ควรแต่ว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์โดยแท้ถือว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นทุกข์โดยความหมายว่าเบียดเบียนเฉพาะหน้าด้วยความเกิดและความดับเป็นของไม่เที่ยงโดยความหมายว่ามีแล้วหามีไม่ เป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจดังนี้ชื่อว่ามีการสิ้นไปแห่งความใครเมื่อโยคีเห็นอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายด้วยความเป็นอนัตตาชื่อว่ามีการเพิกถอนทิฏฐิเมื่อโยคีเห็นอยู่โดยความไม่เที่ยง ชื่อว่ามีการเพิ่มถอนมาณนะเมื่อโยคีเห็นอยู่ด้วยความเป็นทุกข์ชื่อว่ามีการสิ้นไปแห่งความใครด้วยอาการดังกล่าวนั้นเพราะเหตุนี้วิปัสสนานี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในฐานะโดยเฉพาะของตนของตนดังนี้โยคียกพระไตรลักษณ์ขึ้นกำหนดรู้สังขาร ด้วยสัมมาสนญญาณโดยทางอารูปสัตตกะด้วยอาการดังกล่าวนี้อันหนึ่งทั้งรูปกรรมฐานทั้งอรูปกรรมฐานของโยคีนั้นเป็นกรรมฐานที่คล่องแคล่วเพียงพอด้วยอาการเพียงนี้มหาวิปัสสนาส8บป โยคีนั้นเป็นผู้มีทั้งรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานคล่องแคล่วเพียงพออย่างนี้เมื่อแทงตลอดคือรู้แจ้งเฉพาะนาที่นี้ก่อนแต่เพียงเอกเทศของมหาวิปัสนา18ปที่ตนพึงบรรลุโดยอาการทั้งปวงด้วยสามารถปหานาปริญญาเริ่มต้นแต่พังคานุปัสสนาญาโดยลำดับขึ้นไปก็ละธรรมะ มีนิจจสัญญาเป็นต้นซึ่งเป็นปฏิปักษ์ของมหาวิปัสสนา18นั้นได้ที่เรียกว่ามหาวิปัสสนา18ได้แก่ปัญญามีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นซึ่งโยคีเมื่อนหนึ่งทำอนิจจานุปัสสนาให้เกิดขึ้นคือปัญญาเห็นหนึ่งเนืองว่าไม่เที่ยงก็ละนิจจสัญญา ความสำคัญว่าเที่ยงได้ 2- ทํทำทุกขานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองๆว่าเป็นทุกข์ให้เกิดขึ้นก็ละสุขสัญญาคือความสำคัญว่าเป็นสุขได้สทํทำอนัตตานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองๆว่าไม่มีอัตตาให้เกิดขึ้นก็ละอัตตาสัญญา ความสำคัญว่ามีอัตตาได้สี่ทำนิพพิทานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองเนืองด้วยความเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นก็ละนันทิความเพลิดเพลินได้ 5. ทําวิราคานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองเนืองด้วยปราศจากความกำหนัดให้เกิดขึ้นก็ละราคะคือความกำหนัดได้ หกทำนิโรทานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองเนืองซึ่งความดับให้เกิดขึ้นก็ละสมุทัยสิ่งที่เป็นแดนเกิดได้ 7. จ็ดทำปฏินิสักานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองเนืองด้วยการสละทิ้งไปให้เกิดขึ้นก็ละอาธานะคือความยึดถือไว้ได้ 8. ปดทำขยานุปัสสนา ปัญญาเห็นเนืองเนืองซึ่งความสิ้นไปให้เกิดขึ้นก็ละคณะสัญญาความสำคัญว่าเป็นก้อนได้เก้าทำวิญานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองเนืองซึ่งความเสื่อมไปให้เกิดขึ้นก็ละอายุหณนะคือความขวนขวายได้สิบทำวิปริมานานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองเนือง ซึ่งความแปรผันให้เกิดขึ้นก็ละทุวัสัญญาความสําคัญว่ายั่งยืนได้สิบเอดทำอนิมิตานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองเนืองว่าไม่มีนิมิตให้เกิดขึ้นก็ละนิมิตะความมีนิมิตได้สิบสองทำอปะนิหิตานุปัสสนา ปัญญาเห็นเนืองเนืองว่าไม่มีที่ตั้งให้เกิดขึ้นก็ละปณิธิคือตันหาเป็นที่ตั้งได้สิบาทำสุญญานุปัสสนาคือปัญญาเห็นเนืองเนืองโดยความว่างเปล่าให้เกิดขึ้นก็ละอภินิเวสะความยึดมั่นได้สิบสทำอภิปัญญาธรรมวิปัสสนา วิปัสนาในธรรมะคือปัญญาอันยิ่งให้เกิดขึ้นก็ละสารานาพินิเวสะความยึดมั่นด้วยการยึดถือว่ามีสาระได้สิ 15. ธห ร, รมยถาภูตยานัทสนะความรู้ความเห็นตามเป็นจริงให้เกิดขึ้นก็ละสัมโมหาพินิเวสะคือความยึดถือด้วยความลุ่มหลงได้ 16. บทำอาทีนวานุปัสนาปัญญาเห็นเนืองเนืองโดยความเป็นโทษให้เกิดขึ้นก็ละอารยาพินิเวสะความยึดถือด้วยความอาลัยได้ 17. บเจทำปฏิสังขานุปัสนาปัญญาเห็นเนืองเนืองด้วยพิจารณาทบทวนให้เกิดขึ้นก็ละอัปฏิสังขา คือความไม่พิจารณาทบทวนได้ส8บแปดวิวัตานุปัสสนาปัญญาเห็นหนึ่งเนืองด้วยจิตถอยกลับให้เกิดขึ้นก็ละสังโยคาพินิเวสะคือความยึดมั่นด้วยสังโยคะหรือสังโยกได้ในมหาวิปัสสนาส8บปดนั้นเพราะเหตุที่โยคียท่านนี้ ได้เห็นสังขารทั้งหลายโดยทางพระไตรลักษณ์มีอนิจจะเป็นต้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนวุวโยคีท่านนี้ได้แทงตลอดอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาได้สามหาวิปัสสนาแล้วอันหนึ่งเพราะเหตุที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่าอนิจจานุปัสสนาใดก็ดี และอันนี้มิตตานุปัสนาใดก็ดีธรรมะสองนี้มีความหมายเดียวกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันอันหนึง่งทุกขานุปัสนาใดก็ดีและอัปปนิหิตานุปัสนาใดก็ดีธรรมะสองนี้มีความหมายเดียวกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกัน อนัตตานุปัสนาใดก็ดีและสุญญตานุปัสนาใดก็ดีธรรมะสองนี้มีความหมายเดียวกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันดังนี้เพราะฉะนั้นแม้อันนมิตานุปัสนาอปปนิหิตานุปัสนาและสุญญตานุปัสนาเหล่านั้นก็เป็นอัญโยคีท่านนี้แทงทะลุด้วย ส่วนอภิปัญญาธรรมวิปัสนาก็คือวิปัสนาแม้ทั้งปวงยถาภูตยานทัศนะก็สงเคราะห์เข้ากับกังขาวิตรณวิสุทธินั่นเองเพราะเหตุนี้แม้อภิปัญญาธรรมวิปัสนาและยะถาภูตยานทัศนะทั้งสองนี้ก็เป็นอัญโยขี่ท่านนี้แท่งทะลุแล้วเหมือนกัน ในวิปัสนาญาณทั้งหลายที่เหลือจากที่กล่าวถึงนี้อีกสิบมีนิพพิทานุปัสนาเป็นต้นบางญาณก็แทงทะลุโดยเอกเทศแล้วบางญาณก็มิได้แทงทะลุเราจะทำการจาแนกวิปัสนาญาณทั้งหลายเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งข้างหน้าเพราะว่าคาที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วว่าโยคีท่านนั้นเป็นผู้มีทั้งรูปกรรมฐาน และรูปกรรมฐานคล่องแคล่วอย่างนี้เมื่อแทงตลอดคือรู้แจ้งเฉพาะนาที่นี้ก่อนแต่เพียงเอกเทศของมหาวิปัสสนา18ปที่ตนพึงบรรลุโดยอาการทั้งปวงด้วยสามารถปรหาหนะบริญญาเริ่มต้นแต่พังคานุปัสสนาโดยลำดับขึ้นไปก็ละธรรมะซึ่งเป็นปฏิปักษ์ของมหาวิปัสสนาปนั้นได้นี้ข้าพระเจ้า หมายถึงวิปาาัสสนาญาณซึ่งโยคีท่านนี้แทงตลอดแล้วนั่นเอง